จเจริญพรทุกท่านเราช่วงนี้ไว้ทุกกันส่วนใหญนะ่เสียสมเด็จพยานสังวรก็พราดีที่สุดองหนึ่งนะด้านปริยัติก็เก่งที่สุดนะด้านปฏิบัติก็เก่งที่สุดองหนึ่งนะีเป็นตัวอย่างให้พวกเราดูชีวิตของท่านสะอาดหมดจดท่านสอนธรรมะ เพื่อให้เราไปสู่ความสะอาดหมดจดเหมือนท่านเหมือนกันนะค่อยๆเรียนค่อยๆฝึกไปธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องพิสูจน์นะว่าเป็นของจริงถ้าเราภาวนานะจะแก่จะเท่านะไม่หลงไม่อะไรมีความรู้เนื้อรู้ตัวดีจะอยู่ก็อยู่อย่างผ่องใสจะตายก็ตายอย่างผ่องใส คนในโลกมันไม่มีหรอกพออายุเยอะขึ้นไม่เคยฝึกไม่เคยอะไรจิตใจก็จะไหลลงลงไปเรื่อยๆธรรมชาติจิตไหลลงต่ำตลอดเวลาถ้าเราไม่ฝึกไม่ฝืนมันนะไม่ปฏิบัติไม่ขัดเกลาอยู่ไปนานๆานจ น, นแก่จนเฒ่ายิ่งยิ่งเหลวไหลไม่มีความสุข ไม่มีความสงบถนะ้าเราภาวนาแต่แต่เรายังมีเรี่ยวมีแรงอย่างนี้ดีจะไปรอจนแก่มากๆป่วยมากๆใกล้จะตายแล้วจะภาวนานไม่ทันหรอกกนะ็ฝึกตั้งแต่ยังแข็งแรงอยู่การปฏิบัติธรรมก็ต้องใช้ความพร้อมของร่างกายเหมือนกันสติปัญญาอะไรเนี่ย เหมือนช่วงนี้พวกเรายัางแข็งแรงก็รีบปฏิบัตนะิในสมัยพุทธกาลนะมีตัวอย่างเศรษฐีสองคนผัวเมียหนุ่มๆพนะพุทธเจ้าตรัสรุ้ใหม่ๆไม่มาเรียนธรรมะปล่อยชีวิตเหลวไหลไปเรื่อยๆกลางๆคนก็ล้มละลายแก่ๆเป็นขอทานนะไม่มีอะไรเหลือนะี่พเจ้าก็อายุมากและนะ้วตอนนั้นพระเจ้าท่านก็บอกกับพวกพระรับ สามีพัญญาคู่เนี่ยถ้ามาปฏิบัติตั้งแต่อย่างหนุ่มอย่างสาวจะเป็นพระราหันต์นะแต่ตอนนี้ปล่อยเวลาปล่อยจิตปล่อยใจตามกิเลสมานานจิตใ จ, จโสโปก ม, มัมแมมไปหมดแล้วล้างไม่ทันแล้วนะตอนนี้ไม่รู้เรื่องแนละ้วฟังธรรมก็ไม่รู้เรื่องแนละ้วงั้นพวกเราอย่าไปเอาอย่างเขานะเราเอาอย่างท่านที่สะอาด ห, หมดจดนะ เราดูตัวอย่างท่านท่านศึกษาท่านปฏิบัติธรรมมาตลอดชีวิตชีวิตท่านงามใครเห็นก็จับอกจับใจนะธรรมะของพระเจ้าไม่ตายหรอกนะครูบาอาจารย์ท่านก็ตายไปเรื่อยๆเป็นลำดับลาดับท่านตายให้เราดูนะธรรมะของพระเจ้าเป็นอมตะเป็นอมตะธรรม แต่ว่าพวกเราเราไม่อมตะนี่ก่อนที่พวกเราจะหมดกําลังเราก็รีบภาวนาให้เข้าถึงอมรตธรรมก่อนสิ่งที่เป็นอมตะไม่ตายก็มีสิ่งเดียวคือสิ่งที่ไม่เกิดสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องตายเราจะเข้าถึงอมตะธรรมได้เราก็ต้องมาเรียนรู้สิ่งที่มันเกิดดับก่อน เข้าใจสิ่งที่เกิดดับได้ท่องแท้นะจิตพลากออกจากสิ่งที่เกิดดับจิตที่สัมผัสสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับคืออมตรธรรมรือพระนิพพานนะสิ่งที่เกิดดับก็คือร่างกายจิตใจของเรานี่เองต้องมาเรียนรู้อยู่ที่กายเรียนรู้อยู่ที่ใจให้มากนะคนทั่วๆไปนะเขาไม่เห็นความสำคัญของการเรียนรู้กายรู้ใจตัวเอง เขาสนใจแต่สิ่งภายนอกเพลิดเพลินสนุกสนานอยู่ภายนอกสแสวงหาแต่สิ่งภายนอกพระที่เจ้าสอนให้อุปนิัยโกน้อมเข้ามาหาตัวเองสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็คือกายกับใจนี่เองย้อนกลับเข้ามารู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจคนในโลกมันลืมกายลืมใจตลอดเวลานะไม่มีคนรู้สึกกายรู้สึกใจหรอก พวกเราที่มาฟังธรรมรู้ตัวขึ้นมาได้ตื่นขึ้นมาได้เป็นคนส่วนน้อยอย่างยิ่งเลยคนส่วนใหญ่มันหลงจิตออกนอกตลอดจิตไหลไปตลอดเพลิดเพลินไปกัการดูการฟังการคิดเลยเพลินทั้งวันเพลินทั้งคืนยลางคืนก็ฝันต่อไปอีกนะอย่างพวกเรานี่ถือว่าเป็นคนหายากนะาเรามีศรัทธาเราเข้าใกล้สัตบุรุษเราได้ฟังธรรม เราเข้าใจไปเป็นลำดับลาดับจ uh> uh ิตของเราเคยหลงตลอดเวลาตอนนี้จิตของเราก็เริ่มมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคือจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวพยายามฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสภาวะที่จิตอยู่กับเนื้อกับตัวนั้นยังมีสองแบบแบบหนึ่งนจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ตัวอยู่สบายสบาย รู้ตัวอยู่อย่างเบิกบานมีความสุขฉิตเบาๆจิตอ่อนโยนนุม่มนวลคล่องแคล่วว่องไวนะไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่ออย่างนี้จิตอยู่กับเนื้อกับ ต, ต, ตัวถูกต้องจิตที่อยู่กับเนื้อก็ตัวแบบไม่ถูกต้องคือจิตที่บังคับให้มันอยู่พยายามบังคับตัวเองจะรู้สึกตัวพยายามบังคับให้รู้สึกตลอดเวลามันจะแน่นๆ่นจะหนักจะแน่นจะแข็งจะซึมจะทื่อ รรู้ตัวอยู่เหมือนกันแต่ว่ารู้ตัวแบบใช้ไม่ได้จิตมันแน่นๆหนักงั้นถ้าพวกเราภาวนาจิตหนักจิตแน่นนะเราก็บอกรู้ตัวอยู่ยังไม่รู้จริงหรอกเป็นตัวรู้ที่ไม่ดีตัวรู้ปลอมตัวรู้ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นเมื่อเรารู้ทันจิตที่ไหลไปนะรู้ทันจิตที่มันลืมกายลืมใจมันลืมตัวเองไปเมื่อไหร่นะถ้าเรารู้ทันว่ามันลืมแล้วก็ มันจะได้จิตผู้รู้ที่ถูกต้องจิตตัวนั้นจะเบาอ่ อ, อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแกร่การงานนะเป็นจิตที่เหมาะที่จะใช้เจริญปัญญาคนที่สนใจธรรมะมีไม่มากนะแล้วคนที่สนใจธรรมะถึงขั้นปฏิบัติเนี่ยยิ่งมีน้อยใหญ่แต่คนที่ปฏิบัติถูกเนี่ยยิ่งน้อยมากเลยน้อยอย่างยิ่งเลยนะส่วนมากปฏิบัติไม่ค่อยถูกก็หรอกปฏิบัติพวกหนึ่งนะก็คิดคิดเอา อย่างคิดพิจารณาร่างกายอย่างนั้นอย่างนี้นะคิดว่าโลกนี้ไม่เที่ยงอะไรต่ออะไรนะอันนี้มันก็เป็นขั้นอยู่ในขั้นคิดเอาอีกพวกหนึ่งก็ไปนั่งแต่สมาธินะเอาสงบอย่างเดียวนะให้จิตว่างให้จิตสงบนะหรือเที่ยวออกรู้ออกเห็นนิมงนิมิตอะไรพวกนั้นนะพวกนี้มันเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิอย่างนั้นไม่ทำให้เกิดปัญญา เราต้องมาฝึกสมาธิที่ทำให้เกิดปัญญาคือสมาธิที่จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเลยเป็นแค่คนดูถอนตัวออกจากโลกของความคิดได้จิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวภาษาโบราณนะคะว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยตรงที่สุดเลยจิตของคนทั่วไปมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าอยู่กับเนื้อกับตัวเขาบังคับให้อยู่อึด อ, อัก เราอยู่กับตัวเองรู้สึกตัวเองไปสบายๆหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนนะรู้สึกตัวกินอาหารรู้สึกตัวขับถ่ายรู้สึกตัวนะอาบน้ำรู้สึกตัวแต่งตัวก็รู้สึกตัวไปทำอะไรก็คอยรู้สึกตัวไปนะหรือเวลากระทบอารมณ์ต่างๆตาเห็นรูปก็รู้สึกตัวหูได้ยินเสียงก็รู้สึกตัว ฉมูกได้กลิ่นล้นกระทบรสนะก็รู้สึกตัวใจคิดนึกปรุงแต่งร่างกายสัมผัสอะไรนะก็รู้สึกตัวนะอย่างคนทั่วไปไม่ค่อยรู้สึกนะเวลามีมีรูปมากระทบนะตาไปเห็นรูปไม่รู้สึกตัวหรอกแต่ไปรู้รูปไปดูรูปเวลาหูได้ยินเสียงก็ไม่ยอมรู้สึกตัวนะมัวแต่ไปฟังเสียงอยู่เวลาใจคิดก็มัวแต่รู้เรื่องที่คิดไม่รู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวก็คือ ใจมันจะอยู่กับตัวเองมันจะรู้สึกขึ้นมานะจะเห็นปรากฏการของรู ป, ปรธรรมปรากฏการของนามธรรมมันแยกออกไปอยู่ต่างหากใจเราเป็นคนดูสบายๆนะอย่างพวกเราขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมเนี่ยเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายพยกักหน้านะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเราเป็นแค่คนรู้สึกตัวเป็นแค่คนรู้สึกนะอย่าไปเพ่งร่างกายถ้าเราเพ Drink, ่งร่างกายเราจะอึอดอัด ก็ไม่บังคับใจด้วยนะรู้สึกสบายสบายถ้าใจเราหนักขึ้นมาแสดงว่าเพ่งแล้วละ่ะนะเป็นวิธีดูง่ายๆเลยว่าผิดหรือเปล่าถ้าใจลอยไปนะสุดโต่งไปข้างหลงใจลอยไปเราก็ลืมตัวนะมีร่างกายมีจิตใจเราก็ลืมแต่ถ้าสุดโต่งไปข้างเพ่งก็มันจะแน่นๆหนักๆแน่นๆขึ้นมาในใจแข็งๆไม่เป็นธรรมชาติ สิ่งที่ผิดมีสองอันเท่านั้นแหละนะไม่เผลอไปก็เพ่งเอาไว้ให้เราคอยรู้ทันนะจิตเคลื่อนไปคิดนึกปรุงแต่งเคลื่อนไปดูเคลื่อนไปฟังเรารู้ทันจิตเคลื่อนไปเพ่งเวลาเพ่งจิตก็เคลื่อนเหมือนกันอย่างเรารู้ลมหายใจจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยจิตก็เคลื่อนเหมือนกันนะถ้าเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนนจิตจะตั้งั่นขึ้นโดยอัตโนมัติและจิตที่เคลื่อนเนี่ยเคลื่อนไปด้วยอำนาจโมหะความฟุ้งซ่าน ถ้าเามีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านนะความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเราไม่ต้องไปดับเขานะเขาดับของเขาเองจิตจะตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัตินะค่อยฝึกเรื่อยๆทุกวันเราทำในรูปแบบนะแบ่งเวลาไว้ซ้อมทุกวันทุกวันนะจะพุโทโธจะหายใจจะดูท้องพองยุบอะไรก็ได้จะเดินจงกรมก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันจิตที่มันเคลื่อนไปเดี๋ยวมันก็เคลื่อนไปคิดเดี๋ยวมันก็เคลื่อนไปเพ่งนะ รู้ทานจิตที่เคลื่อนบ่อยๆในสุดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นนะจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะเราตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นจิตเขาตั้งของเขาเองถ้าเราจงใจให้ตั้งมั่น้มันจะแข็งไปใช้ไม่ได้มันจะเป็นเพ่งนะกลายเป็นการเพ่งตอนนี้หายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกนะเนี่ยหาก็รู้สึกเกาก็รู้สึกนรู้สึกไปเรื่อย นะรู้สึกบ่อยๆหรือมีอะไรเกิดขึ้นในใจก็คอยรู้สึกนะมีความสุขเกิดขึ้นก็รู้มีความทุกข์เกิดขึ้นก็รู้โลบโกรธหลงเกิดขึ้นก็รู้คอยรู้สึกบ่อยๆถ้าอะไรเกิดขึ้นในกายอะไรเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้สึกนะใจเราก็อยู่กันเน้กับตัวไม่หลงไปถ้เรารู้สึกตัวเป็นแล้วต่อไปไม่ยากล้นะดูกายเขาทางานดูใจเขาทางานเรื่อยๆไป อย่างตอนนี้ร่างกายก็ทำงานมีไหมไม่ทำงานมีไหมหัวใจก็เต้นทุบๆๆใช่ไมนะมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังคือหลวงพ่อพุทธนะท่านบอกว่าท่านทำกรรมฐานเครื่องอยู่ของท่านคือหัวใจนะแปลกไหมท่านบอกท่านเห็นหัวใจเต้นตุบๆๆทั้งวันทั้งคืนเลยกลางคืนนอนอยู่ก็เห็นหัวใจเต้นนะนะเป็นเครื่องอยู่นะถ้าจิตมันหนีไปก็รู้นะ หรืถ้าจิตมันตั้งมั่นดีแล้วก็เห็นความจริงของร่างกายร่างกายที่หัวใจเต้นตุ๊บๆอยู่ไม่ใช่เราหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนาธาตุเท่านั้นเองอยากเรามาเข้ามาสู่ขั้นการเจริญปัญญานะเฉนั้นก่อนจะไปเจริญปัญญานะต้องมาฝึกจิตให้ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่างพวกเราจําได้ไหมสมัยหัดกับหลวงพ่อแรกๆอะ่ะหลวงพ่อสอนให้ให้เราตื่นขึ้นมา รู้สึกไหมมันมีความสุขผุดขึ้นมามีความสุขผุดเป็นระยะระยะนะหัดกับหลวงพ่อทีแรกนะั้นมีความสุขเยอะมากเลยนั่งเฉยๆเขามีความสุขทําอะไรเขามีความสุขผุดขึ้นมาจําได้ไหมเอออันนั้นแหะมันขั้นสมาธินะฝึกให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกจิตมันมีสมาธิชนิดลักขนูปนิชานจิตมีปีติมีความสุขผุดขึ้นมาหล่อเลี้ยงให้ความชุ่มชื่นเป็นระยะระยะไป ต่อมาหลวงพ่อก็ไล่ต่อต้อนพวกเราให้เดินต่อไม่ให้ติดอยู่ความสุขแค่นั้นนะความสุขจากการที่จิตรู้ตัวขึ้นมาแล้วก็มีความสุขนะเป็นความสุขในระดับของสมาธิเท่านั้นเองถ้าติดอยู่แค่นั้นก็ไปต่อไม่ได้หลวงพ่อก็ต้อนพวกเราต่อเพราะว่ามาแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์ดูนะอย่ารู้ตัวอยู่เฉยๆเนี่ยบางคนไม่เข้าใจหลักของการปฏิบัตินะเที่ยวสอนกัน ม่ให้รู้สึกตัวอยู่เฉยๆรู้สึกตัวเฉยๆแล้ววันหนึงบรรลุมรรคผลนิพพานไม่บรรลุหรอกมันคนละเรื่องการการรู้สึกตัวเป็นเรื่องของสมาธินะยังไม่ได้เดินปัญญามจะไปบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้ครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่มั่ น, นเขียนกรอนเอาไว้นะบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยนะงั้นมีสมาธิแล้วจิตรู้ตื่นเบิกบานเฉยมีความสุขปุดขึ้นไประย ะ, ระยะแค่นั้นไม่พอนะ แค่นั้นแค่ว่ารู้สึกกายรู้สึกใจได้แต่ต้องเดินปัญญาการเดินปัญญาคือการมาดูความจริงของกายของใจนะร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยถ้าเราใจลอยเราไม่รู้สึกตัวนะมีร่างกายเราก็ลืมมันแต่พอเรารู้สึกตัวแล้วเราก็เห็นเออร่างกายมันนั่งอยู่เราก็รู้สึกไปสบายๆเห็นร่างกายมันนั่งอยู่เห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายมันเกาเห็นร่างกายมันขยับนี้นะ เราเป็นคนดูอยู่เฉยๆเราจะเห็นว่าร sure ่างกายเป็นสิ exactly ่งที่จิตไปรู้เข้านะร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเมื่อเราเห็นร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เนี่ยความรู้สึกลึกๆนะมันจะบอกเลยว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราหรอกพวกเราเวลาที่ภาวนานแล้วจิตมันเกิดปัญญาเบื้องต้นมันเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะตกใจนะบางคนตกใจบางคนกลัวเลยว่าตัวเราหายไปแล้วบางคนเสียใจว่าตัวตนหายไป เพราเรารักใคร่ห่วงแหนตัวตนเราเนึกว่าเป็นของดีของวิเศษเราไม่รู้ว่าเป็นตัวทุกข์ถ้าวันใดเราเห็นว่าตัวตนเป็นตัวทุกข์แล้วตัวทุกข์หายไปเป็นเรื่องดีนะไม่ใช่เรื่องร้ายนะงั้นเราภาวนาบางทีเห็นร่างกายไม่ใช่เราเห็นได้เป็นท่อนๆแขนเป็นท่อนๆขาเป็นท่อนๆไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะตกใจเสยอีกตกใจก็ไม่เป็นไรใจมันยังรักมันยังห่วงแหนดูมันบ่อยๆนะ นั่งอยู่ก็หายใจไปนะเห็นร่างกายมันหายใจใจเราเป็นคนดูร่างกายนี้เหมือนถุงหนังใบหนึ่งนะมันมีลมไหลเข้าไปก็พองขึ้นมาลมไหลออกไปก็ยุบตรงไปนะเดี๋ยวพอง <ๆ S 1> เดี๋ยวยุบไปนะร่างกายเหมือนถุงหนังใบหนึ่งเท่านั้นมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนะดูไปเรื่อยไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นะไม่ต้องคิดหรอกเห็นเน o w มีปัสฐานะไม่ได้คิดเ now น, นะมีปัฏฐานะปัสฐานะว่าเห็นเน o w ถ้าคิดเอาเรียกว่าวิตกนะวิตกอย่างมากจะได้สมาธินะมีตกวิจาร์ได้สมาธิแต่วิปนะัสสนาเนี่ยไม่ได้วิตกวิจาร์อะไรเห็นร่างกายมันทำงานเห็นจิตใจมันทางานไปเรื่อยทุกคนดูได้นะทุกคนดูกายก็ได้ทุกคนดูใจก็ได้แต่เราลาเลยเราไม่รู้ว่าของดีของวิเศษอยู่ตรงนี้บางทีเราก็อยากได้ธรรมะที่เวแสวงหาธรรมะไปที่โน่นที่นี่นะ หาไปตามวัดวารามวัดโน้นวัดนี้ครูบาอาจารย์องน้โน้อ น, อ, นองนี้นะธรรมะไม่ได้อยู่ที่คนอื่นหรอกธรรมะอยู่ในกายในใจเราเนี่ยรู้สึกกายรู้สึกใจขึ้นมาดูกายทำงานดูใจทำงานไปเรื่อยอย่ารู้สึกอยู่เฉยๆนะรู้สึกตัวขึ้นมาได้ก็ดูกายดูใจทำงานจะเห็นเลยร่างกายก็อยู่ส่วนหนึ่งก็ทำหน้าที่ของร่างกายไปหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนไปนะกินอาหารขับถ่ายไปทาหน้าที่ของมันไป ส่วจิตใจก็ทําหน้าที่ของจิตใจอย่างความสุขความทุกข์ทั้งหลายเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเดี๋ยวเขาก็สุขเดี๋ยวเขาก็ทุกข์เดี๋ยวเขาก็เฉยๆนะเขาต่างคนต่างทําหน้าที่ของมันไปกิเลสก็ทําหน้าที่ของกิเลสความโกรธเกิดขึ้นก็ทําหน้าที่ของความโกรธกระตุ้นให้เราทําลายล้างให้ผลักอารมณ์ออกไปราคะเกิดขึ้นก็ทําหน้าที่ของราคะกระตุ้นจิตใจเราให้ตะครุบอารมณ์เข้ามานะ โมหะเกิดขึ้นก็ทำหน้าที่ของโมหะทำให้เราฟุ้งจับอารมณ์ไม่ถูกนะดูอารมณ์ไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ละคนก็มีหน้าที่ของตัวเองนะจิตก็มีหน้าที่ของจิตือหน้าที่รู้นะแต่จิตมักจะทำหน้าที่เกินรู้จะไปปรุงแต่งด้วยแต่เราจะห้ามจิตไม่ให้ปรุงแต่งก็ไม่ได้หรอกนะแต่ความปรุงแต่งมันมีรากฐานมาจากความไม่รู้รากฐานของอวิชชา ต่ถามว่าจิตพระอรหันยังปรุงแต่งไหมจิตพระอรหันย์ก็คิดนึกเหมือนที่พวกเราคิดนึกนะแต่ว่ามันมันความปรุงแต่งใดๆนี้มันย้อมเข้ามาไม่ถึงจิตนะมันเป็นกริยาท่านถึงเรียกกริยาจิตมันยังคิดได้จำได้มนะมีความสุขนะแต่ก็ไม่ไปติดความสุขนะไม่ไปติดเรื่องราวที่คิดจะเห็นทุกอย่างไหลผ่านมาผ่านไปเรื่อย การที่เราค่อยรู้สึกตัวแล้วเราเห็น ท, าท่าเห็นขันทํางานเรื่อยๆนะต่อไปปัญญาเราแก่กล้าขึ้นเราก็จะเกิดความเข้าใจนะเป็นระดับความเข้าใจพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้เข้าใจถูกยังละกิเลสประเภทความยึดถืออะไรไม่ได้หรอกพระโสดาบันโสดาบันละความเข้าใจผิดละมิจฉาทิฐิได้แล้วก็เกิดสัมมาทิฐิ มิจฉาทิฏฐิตัวหลักเลยที่ต้องล้างให้ได้นะคือความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนเห็นว่าตัวเรามีจริงๆการที่เรามาหัดแยกธาตุแยกขันนะเพื่อทำลายความเห็นผิดว่ามีตัวมี ต, มตนนั่นแหละอย่างพอเราแยกร่างกายออกไปส่วนหนึ่งเราจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออก ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่คนไ ม, cit, ไม่ใช่สัตว <promotions> นะ์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเขาเห็นเองนะไม่ใช่เราต้องคิดเอาหรอกแลใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วสติระลึกรู้กายก็จะเห็นเลยกายไม่ใช่เราหรอกกายเป็นก้อนธาตุเป็นก้อนทุกข์ไหมนะสติระลึกรู้ความสุขความทุกข์นะจิตตั้งมั่นอยู่เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ก็จะเห็นเลยความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่เราหรอกเราสั่งมันไม่ได้นะเราเป็นของไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงเฉยๆก็ไม่เที่ยง สั่งให้สุขก็ไม่ได้นะห้ามทุกข์ก็ไม่ได้แทรกแซงอะไรก็ไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับไม่อยู่ในอำนาจบังคับเรียกว่าอนัตตานะตรงที่มันแปรปรวนตลอดเวลาเรียกว่าอนิจจังนะหรือตัวกิเลสตัวกุศลทั้งหลายนะก็ตกอยู่ใต้อนิจจังทุกขังอนัตตานี้เหมือนกันม่จะเด่นอยู่ที่ตัวอนิจจังอนัตตานะนมามธรรมเนียจะเห็นเลยว่ามันไม่เที่ยงมีแล้วก็หายไปมีแล้วก็หายไป ความสุขเกิดขึ้นแล้วก็หายไปความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็หายไปความโลภเกิดขึ้นแล้วก็หายไปนะความหลงความฟุ้งซ่านความโกรธอะไรเกิดขึ้นก็หายไปเนี่ยค่อยๆดูไปอย่างนี้กระทั้งตัวจิตนะตัวจิตที่ไปดูเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่ไปฟังเกิดแล้วก็ดับไปจิตที่ไปคิดเกิดแล้วก็ดับไปหลวงพ่อเคยพาพวกเราดูใช่ไหมจิตที่ไปดูอย่างเราลอง ลองดูมือของตัวเองซิลองดูนะเราดูลุสึกไหมว่าเราเห็นชัดเนี่ยแวบเดียวแล้วนะเราต้องขยับลูกตาใหม่ดูใหม่นะถึงจะชัดขึ้นอีกแวบหนึ่งนะดูออกไหมถ้าดูมือมันใกล้ไปก็ดูอะไรที่ไกลดูพระพุทธรูปข้างหลังหลวงพ่อก็ไดนะ้สังเกตให้ดีเราจะเห็นพระเนี่ ย, ยชัดแวบเดียวเท่านั้นนะนะดูออกไหมเห็นได้ชัดแวบเดียวนะแล้วก็จะเบลอๆไป ต้องขยับลูกตาใหม่ดูใหม่ก็จะชัดขึ้นอีกแว บ, บหนึ่งเนี่ยจิตที่ไปดูเกิดแล้วก็ดับนะตรงที่มันเห็นชัดขึ้นมานะจิตมันไปดูนะมีจิตดูเกิดขึ้นแล้วจิตดูเกิดด้วยชั่วขณะก็ดับดับแล้วเรารู้สึกเบลอๆไหมเบลอๆเอนี่ยตาเราไม่เห็นแล้วนะแต่ว่าอาศัยสัญญาคือความจํารูปได้นะแต่มันยังจําได้ไม่แม่แมนมันก็เลยเบลอๆไปถ้าจําได้แ ม, ม่นเป็นอุคาหานิมิตนะ เป็นหักห้าวนิมิตแล้วต่อเข้าปฏิภาคก็แต่เข้าฌานได้แล้วจำไม่แม่นเราจะเห็นแล้วก็เบลอเบลอไปดูออกไหมชัดแวบเดียวแล้วก็เบลอชัดแวบเดียวแล้วก็เบลอเนี่ยจิตที่ไปดูนะเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปฟังเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปคิดเกิดแล้วก็ดับแต่จิตฟังจิตคิดเนี่ยจะหัดดูยากหน่อยหัดดูจากจิตที่ไปดูเนี่ยหายง่ายเพราะมันเห็นแวบเดียวเท่านะั้นมันก็จะเลือนไป อาศัยความจําได้ยังจําได้อยู่นะจำรูปได้จํารูปได้เลื่อนๆแล้วก็ไปดูใหม่นะดูซ้ำๆไปก็จําได้แม่นขึ้นแม่นขึ้นนะพอละหลวงพ่อไม่ได้ให้ฝึกกรสินนะ <c oughs> อันนี้จะให้ฝึกให้เห็นว่าจิตมันเกิดดับนะนี่จิตที่ไปดูเกิดแล้วก็ดับแล้วจิตเป็นอนัตตานะเราสั่งไม่ได้หรอกหลวงพ่อจะหยุดพูดสักครู่หนึ่งนะ ห้ามพวกเราคิดนะอย่าคิดนะอ้าตกลงคิดหรือไม่คิดคิดใช่ไหมเนี่ยการที่จะรู้ว่าจิตคิดไม่ใช่เรื่องยากรู้อย่างนี้แหละจิตมันคิดบางคนบอกว่าจิตคิดจะไปรู้ได้ไงลองบอกให้ดูก็ดูเป็นอ่ะสังเกตไหมจิตจะคิดนะเราก็ห้ามไม่ได้นะจิตเป็นอนัตตาเนี่ยหัดดูของจริงนะดูของจริงไปเรื่อยๆนก็เห็นเลย ร่างกายก็ไม่เที่ยงร่างกายก็เป็นทุกข์เป็นอนัตตาความสุขความทุกข์กุศลนกุศลนักระทั่งตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เรียกว่าการเจริญปัญญานะแต่เราจะเจริญปัญญาได้จิตเราต้องตั้งมั่นสัก่อนมีสมาธิชนิดตั้งมั่นเป็นคนดูงั้นสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นคนดูก็อยู่ชั่วคราวมันทุกวันควรจะทําในรูปแบบ เวลาทาในรูปแบบว่าเริ่มต้นไหว้พระสวดมนต์นะเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วก็รู้ทันจิตที่ไหลไปจิตที่ไหลไปจิตไหลไป2รูปแบบหลักๆเวลาเราทำกรรมฐานคือไหลไปคิดนะไหลไปเพ่งอารมณ์อย่างรู้ลมหายใจจิตแค่ไปอยู่ที่ลมหายใจเอาทุกคนรู้ลมหายใจซิรู้ลมหายใจของตัวเองสังเกตไหมจิตมันหนีไปได้2แบบให้รู้ลมหายใจบางคนหนีไปคิดเลยนะ บางคนจิตเคลื่อนเข้าไปอยู่ที่ลมหายใจใครเห็นจิต ท, ที่เคลื่อนไปอยู่กับลมหายใจบ้างยกมือซิมีไหมเนี่ยเยอะเลยไหมเพราะฉะนั้นพวกที่นั่งสมาธินะจิตยังเคลื่อนเลยไม่ใช่ผู้รู้หรอกเพราะฉนั้นนั่งสมาธิแบบที่จิตไหลไปจับอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะไม่ใช่ทางหรอกจิตไม่ได้เป็นผู้รู้จริงสมาธิ ท, ที่จิตเคลื่อนไปจับอารมณ์อันเดียวเขาเรียกว่าอารามานูปนิชานจิต ท, ที่เพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียว อารามมณุปนิชานเราไปทำวิปัสนาไม่ได้นะวิปัสนาเนี้ยใช้สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่เอารู้ลมหายใจใหม่เอาเปลี่ยนไปรู้ท้องก็ได้เห็นท้องพองเห็นท้องยุบรู้อยู่ที่ท้องนะแล้วก็รู้ทันเวลาจิตไหลลงไปที่ท้องดูท้องไปแล้วก็เห็นจิตมันไหลเข้าไปที่ท้องก็รู้ทันรู้เฉยๆอย่าไปดึงไว้ เห็นไหมบางทีก็ไหลไปที่ท้องบางทีก็ไหลไปคิดเดูออกไหมให้รู้ทันจิตที่ไหลนี่แหละเวลาเอาละพอแล้วนะเดี๋ยวฟังต่อไปดูอย่างนั้นจะฟังไม่ได้นะฟังตอนที่ฟังไว้ก่อนเรียกว่าเรียนปริยัติแต่หลวงพ่อพาให้ปฏิบัตินะเป็นตัวอย่างให้พวกเราไปตามเอาเองทุกวันแบ่งเวลาไว้ไหว้พระสวดมนต์นะแล้วทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งดูลมหายใจดูท้องดูมือดูเท้าอะไรก็ได้นะ แล้วจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไหลเข้าไปเพ่งที่ลมหายใจที่มือที่เท้าที่ท้องอะไรก็คอยรู้ทันนี่คเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปหลวงปู่ดูลเรียกจิตที่เคลื่อนว่าจิตส่งออกนอกนะท่านหมายหัวไว้เลยจิตส่งออกนอกเป็นสมู ท, ทยัยนะเป็นต้นเหตุก่อภพก่อชาติก่อทุกข์นะให้เรารู้ทันจิตที่ออกนอกนะไม่ห้ามนะห้ามไม่ได้หลวงปู่ดูลสอนว่าจิตมีธรรมชาติส่งออกนอก นะแต่พอจิตส่งออกนอกแล้วไม่มีสตินะจิตก็กระเพิ่มหวั่นไหวตามอารมณ์ปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมาถ้าจิตออกนอกเรามีสติอยู่นะจิตไม่ไปปรุงแต่งต่อนะจิตรู้ ร, รู้ตัวขึ้นมาแล้วก็ความปรุงแต่งก็ดับไปจิตก็รู้สึกขึ้นมาอยู่ในภพของนักปฏิบัติภพของความรู้สึกตัวยังเป็นภพอีกภพหนึ่งนะไม่ใช่หลุดจากภพนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกตัวอยู่เฉยๆก็เป็นภพภพหนึง่งตายไปแล้วไปเป็นพระพรหมนะ แล้วค่อยๆค่อยๆเรียนไปทุกวันทำในรูปแบบทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนไปแล้วรู้จะเคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปเพ่งก็รู้เคลื่อนไปคิดรู้จักแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ที่หลวงพ่อหยุดพูดแล้วบอกอย่าไปคิดน่ะจิตก็หนีไปคิดนั่นแหละจิตก็เคลื่อนไปคิดแบบนั้นแหละนะแต่ถ้าเราอยู่ในชีวิตประจำวันนะจิตจะเคลื่อนหกช่องเคลื่อนไปดู เคลื่อนไปฟังเคลื่อนไปดมกลิ่นเคลื่อนไปลิ้มรสเคลื่อนไปรู้สัมผัสทางกายเคลื่อนไปคิดนึกทางใจแต่ถ้าเราทำกรรมฐ า, านเราก็ตัดเรื่องตาเรื่องหูเรื่องจมูกเรื่องลิ้นนะออกไปก็เคลื่อนไปที่กายบ้างนะเคลื่อนไปคิดบ้างเคลื่อนไปทางใจมันลดช่อ ง, ช, องช่องทางที่จิตจะหนีเ ท, ที่ยวลงเหลืออยู่สองช่องนะคือเคลื <S 2> <S 2> ่อนไปที่กายกับเคลื่อนไปคิดก็ดูง่ายหน่อย แต่ถ้าเราซ้อมจนชํานาญแล้วนะเราต้องออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี่ให้มันเคลื่อนหช่องนะมีตาก็ดูมีหูก็ฟังมีใจก็คิดมีจมูกก็ได้กลิ่นมีลิ้นก็ได้รสมีกายก็รู้สัมผัสเย็ยนร้อนหนอนแข็งตึงไหวพอกระทบแล้วนะจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันอันนี้ได้สมาธินะและได้จิตที่ตั้งมั่นยังไม่เป็นมรรคผลอะไรนะแต่พอจิตเราตั้งมั่นแล้วนะีฝึกให้ชํานีชํานานเนี่ยต่อไปเราไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นเลย จิตขยับตัวคลิกนะสติมันรู้ทันนะจิตจะตั้งอัตโนมัติเลยมันจะมีความรู้สึกเหมือนเรารู้ตัวอยู่ได้ทั้งวันเลยนะสมัยหลวงพ่อเป็นฆราวาสนะหลวงพ่อก็ซ้อมอย่างนี้แหละนะาหายใจเราก็รู้สึกหายใจเรารู้สึกนะจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเลยหลวงปู่สิมเจอหน้าหลวงพ่อนะท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ผู้รู้ไม่ได้รู้อะไรหรอกผู้รู้ตัวคือผู้ที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเพราะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูกายดูใจทํางานต่อนะ อย่าอยู่เฉยๆเนี่ยเห็นไหมร่างกายมันเกา่านะมันไม่ใช่เราเก่าอีกต่อไปแล้วนะร่างกายหายใจมันไม่ใช่เราหายใจอีกแล้วนะใจเราเป็นคนดูกายกับใจเป็นโคนอ่านกันถ้ากายกับใจเป็นโคนอ่านกันปุ๊บนะร่างกายจะไม่ใช่เราเทันทีเลยถ้ากายกับใจไปรวมกันมันก็เป็นเราขึ้นมานะพอมันแยกออกจากกันจะไม่เป็นเราล้นะความสุขความทุกข์มันแยกออกไปใจเป็นคนดูความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่เรานะ กุศลอกุศลทั้งหลายโลภโกรธหลงทั้งหลายเป็นสิ่งที่จิตแยกออกไปจิตเป็นคนดูอยู่นะไม่ใช่จิตหรอกนะอย่างพวกเราตอนนี้เป็นสุขใครมีความสุขบ้างรู้สึกไหมยกมือซิใครมีความสุขใครมีความทุกข์ใครเฉยเฉยนะสังเกตดูความสุขเป็นสิ่งที่ถูกรู้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ถูกรู้ความเฉยเฉยก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้นะ ค่อยๆหัดดูไปเราจะเห็นเลยเวทนาคือความสุขความทุกข์ความเฉยๆไม่ใช่เราหรอกนะมันไม่ใช่เราหรอกค่อยหัดดูไปเรื่อยหรือกิเลสเกิดขึ้นนะความโลภเกิดขึ้นรู้ทันก็จะเห็นว่าความโลภนันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่เราหรอกความโกรธเกิดขึ้นรู้ทันเห็นความโกรธเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่เาร า, เาหรอกความฟุ้งซ่านก็ถูกรู้ความหดหู่ก็ถูกรู้ดีใจเสียใจอิจฉาพยาบาททุกอย่างเป็นของถูกรู้นะ มันไม่ใช่เราหรอกจิตเองก็เป็นของถูกรู้นะอย่างจิตหนีไปคิดเรามีจิตอีกดวงหนึ่งรู้ทันว่าจิตตะกี้นี่หนีไปคิดจิตจะเกิดทีละดวงนะจิตไม่เกิดทีเดียวสองดวงจิตเกิดครั้งละหนึ่งดวงแต่เกิดแล้วดับทันทีเลยแล้วก็เกิดดวงใหม่ขึ้นมาทำหน้าที่ต่อเนื่องกันไปมีจิตที่ไปคิดเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันจิตที่คิดก็ดับเกิดจิตที่รู้ จิตที่รู้อยู่ชั่วคราวจิตหนีวิคิดนะจิตรู้ก็ดับกลายเป็นจิตคิดนียสลับกันไปนะอย่างนี้เราก็จะเห็นเลยเอจิตจะรู้จิตจะคิดก็ไม่เที่ยงนะจิตรู้อยู่ชั่วคราวก็ดับกลายเป็นจิตคิดจิตคิดอยู่ชั่วคราวก็เป็นจิตรู้เนี่ยไม่เที่ยงแล้วก็จะรู้หรือจะคิดเราก็เลือกไม่ได้เราสั่งไม่ได้อย่างเมื่อกี้บอกว่าห้ามคิดใช่ไหมมันก็คิดนะห้ามมันไม่ได้หรอกเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเราเจริญปัญญานะมาดูจิตแสดงไใจลักษ ค่อยๆดูค่อยๆดูไปเราภาวนาเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอาจิตที่เป็นผู้รู้นะเราฝึกให้มีจิตที่เป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อเอามาใช้งานนิดเดียวเท่านั้นเองเราจะเห็นว่าจิตเป็นผู้รู้เกิดขึ้นตั้งกายไม่ใช่เราจิตมีผู้รู้อยู่นะความสุขความทุกข์ไม่ใช่เราจิตเป็นผู้รู้อยู่เนี่ยกุศลอกุศลไม่ใช่เราจิตที่มีผู้รู้อยู่นจะเห็นเลยจิตเองก็ไม่ใช่เราเกิดดับอยู่ทางทวารทั้ง6เรามีจิตผู้รู้เนี่ยเพื่อจะได้เห็น ว่าสิ่งทั้งหลายที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่เราหรือตัวจิตผู้รู้เองเราไม่ได้เอาจิตผู้รู้เพื่อจะมีจิตผู้รู้เรามีจิตผู้รู้ขึ้นมาเพื่อจะได้เห็นว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเราเป็นจิตผู้หลงเราหลงอยู่ตลอดเวลานะพอเรามีจิตผู้รู้เกิดขึ้นแวบเดียวเนี่ยจิตผู้หลงจะดับเราจะรู้ใดจิตที่หลงเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่รู้จิตที่รู้เกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่หลงเนี่ยเราจะเห็นอย่างนี้ งั้นการที่มีจิตผู้รู้ขึ้นมาเนี่ ย, ยเพื่อจะตัดจิตผู้หลงเนี่ยให้ขาดออกเป็นช่วงๆเพื่อเราจะได้เห็นว่าจิตผู้หลงก็ไม่เที่ยงจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงแม้สิ่งที่เราต้องการคือปัญญาการเห็นความจริงการเห็นไตรลักษณ์ของธาตุของขันธ์ของกายของใจเราไม่ได้ต้องการรู้สึกตัวอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องการจิตผู้รู้นะแต่เราต้องมีจิตผู้รู้ขึ้นมาเพื่อจะถอนตัวออกมาเป็นคนดูแล้วเห็นธาตุขันธ์มันไม่ใช่เรามีจิตผู้รู้ขึ้นมาเพื่อจะเห็นว่าจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับ จิตผู้หลงเกิดแล้วก็ดับถ้าเราไม่มีจิตผู้รู้เรามีจิตอย่างเดียวคือจิตผู้หลงเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าจิตผู้หลงนั้นเกิดแล้วก็ดับเพราะมันหลงทั้งวันหลงทั้งคืนอยู่กคงที่อยู่งั้นเองดังนั้นการที่เรามีจิตผู้รู้ขึ้นมามันทำให้เราเจริญปัญญาได้นะมีผู้รู้ไม่ใช่เพื่อจะมีผู้รู้นะมีผู้รู้เพื่อจะได้เห็นว่าผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงผู้รู้เองก็บังคับไม่ได้ฝึกเข้าไปนะฝึกให้มากเลยนะต่อไปพอปัญญามันแก่รอบนะ อริยมรรคเกิดขึ้นเวลาที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิรวมเองนะเราไม่ต้องเจตนาเข้าฌานจิตจะเข้าฌานเองนะแต่ว่าฌานที่จิตเข้าอันเนี้ยไม่ใช่ฌานชนิดที่เพ่งอารมณ์มันเป็นฌานที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเรียกว่าลักคนูปนิชฌานนะส่วนจิตฌานที่เกิดจากการเพ่งอารมณ์เป็นแนบอยู่ที่อารมณ์นะเขาเรียกอารมนูปนิชฌานได้ฌานเหมือนกัน นะชาญหนึถึงแเหมือนเหมือนกันนี่แหละนะแต่ว่าอันนึงเป็นนิ่งอยู่ข้างนอกจิตออกนอกแล้วเป็นนิ่งอยู่ข้างนอกอันนึงจิตรู้เนื้อรู้ตั ว, ต, วตั้งมั่นอยู่ที่จิตเวลาที่อริยามรรคจะเกิดเนี่ยจิตรวมลงที่จิตนะโดยไม่เจตนานะถ้าเจตนาจะให้จิตรวมลงที่จิตเนี่ยมีโลภะเจตนาเกิดขึ้นจิตจะสร้างพบสร้างชาติทันทีจะไม่เกิดอริยามรรคเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดอริยามรรคเนี่ยไม่มีใครจงใจได้นะ พระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่าไม่มีใครทํามรรคผลให้เกิดขึ้นได้หรอกอริยมรรคเกิดเองแต่เกิดได้เมื่อจิตของเรามีศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาแก่รอบแล้วนะอริยมรรคจะเกิดขึ้นเราพาจิตมันดูของจริงไปเรื่อยนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นจงจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นผลงานของจิตสิกขานะตรงที่เราเห็นธาตุเห็นขันมันเกิดดับเห็นจิตเกิดดับได้ไม่ได้อยู่ในอานาจเนี่ยเป็นขั้นของปัญญาสิกขา ถ้าเราทําได้นะศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาของเราพร้อมนะกำลังเพียงพอนี้จิตจะรวมเข้าอาปนาสมาธิเองไม่ได้เจตนารวมถ้าเจตนาเนี่ยจะสร้างพบสร้างชาติแต่รวมโดยไม่เจตนานะถึงจะเกิดอริยมรรคได้นะอย่างพวกเราเวลาลงมือปฏิบัติเราเจตนารู้สึกไหมรู้ลมหายใจก็เจตนารู้ใช่ยหมจะดูท้องก็เจตนานะ เที่ยวหาโน้นหานี่มันเจือด้วยเจตนาหมดเลยเพราะฉะั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยคือการสร้างภพนะตัวเจตนาทางใจเรียกว่ามโนสัญญะเจตนาเนี่ยเป็นปัจจัยเรียกอาหารปัจจัยให้เกิดการสร้างภพคือการกระทำกรรมของจิตนะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกจงกระทั่งจิตตั้งมั่นโดยไม่ได้เจตนาตั้งมั่นนะถึงจะมีโอกาสเกิดอริยมรรคเพราะไม่เป็นภพ เวลาที orn, ่อร ah ิยมรรคจะเกิดนะจิตรวมเข้าถึงฐานเข้าถึงจิตโดยไม่เจตนาสติระลึกรู้ลงที่จิตโดยไม่เจตนาระลึกนะระลึกเองเพราะงั้นเราต้องซ้อมระลึกนะเวลาอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกนี้พอจิตรวมลงที่จิตแล้วเนี่ยอะไรเกิดขึ้นในจิตน่ยมันจะรู้สึกโดยไม่ได้เจตนารู้สึกถ้าจงใจรู้สึกก็เกิดพบขึ้นอีกนะเจตนาเกิดเมื่อไหร่เกิดพบเมื่อนั้นเลย นะเจตนานั่นแหละคือตัวกรรมกรรมนั่นแหละคือตัวภพนะงั้นตัวนี้นะต้องฝึกจนอัตโนมัตินะสมาธิอัตโนมัติจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตโดยไม่เจตนาสติอัตโนมัติระลึกรู้จิตโดยไม่เจตนาระลึกนะปัญญาก็ต้องฝึกถึงขั้นอัตโนมัตินะพามันดูทุกวันเนี่ยเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ของเป็นทุกเห็นของไม่ใช่เรานะดูแล้วดูอีกถ้อถึงขั้นนั้นนะ่ะจิตรวมลงที่จิตสติระลึกอยู่ที่จิตปัญญาชั้แรกลงที่จิต เข้าใจความเป็นไตรลักษณ์ที่จิตนั่นแหละถ้าขั้นในขั้นโสดาบันเนี่ยจะไม่แตกฉานในตัวจิตนะยังไม่แทงทะลุจิตจะแต่แตกฉานในความปรุงของจิตมันจะเห็นความไหวตัวของจิตขึ้นมาความปรุงของจิตนะมีสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะรู้ว่ามีสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะสัญญาไม่เข้าไปหมาย สัญญาในขณะนั้นหมายอย่างเดียวว่าเป็นอนิจจังหรือหมายอย่างเดียวว่าเป็นทุกขังหมายอย่างเดียวว่าเป็นอนัตตาแต่จะไม่หมายว่านี่สุขนี่ทุกข์นี่ดีนี่ชั่วนี่โลภนี่โกรธนี่หลงจะไม่หมายอย่างนั้นนะมันจะมาหมายในในเชิงของไตรลักษณ์นี่สัญญามาเปลี่ยนการหมายนะแทนที่จะหมายว่านี่คืออันนี้นี่คืออันนี้นะอย่าไปจำอย่างนั้นมันประหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์นี่สิ่งที่เกิดขึ้นนีเองเกิดแล้วดับไปดับไปแต่ไม่มีคาพูด นะมันเป็นการหมายของจิตนะไม่มีคําพูดหมายของมันเองในความเป็นไตรลักษณ์เพราะเราเคยผ่าจิตดูไตรลักษณ์เป็นชะํานาญเราจะเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปทําไมต้องใช้คําว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะมันไม่มีคําแปลว่าคืออะไรเห็นแต่สิ่งบางสิ่งไหวขึ้นในจิตแล้วก็ดับไปบางคนซึ่งอินทรีย์แก่กล้าปัญญาแก่กล้านะจะเห็นมันไหวสองขณะนะแล้วจิตจะวาง วางการรู้ความไหวนะทวนกระแสเข้าห า, าธาตรูนะ้ตรงที่ทวนกระแสเข้าห า, าธาตรู้เนี่ยวางตรงที่รู้ว่าจิตไหวนะวางความไหววางความไหวได้ไม่ใช่ปุถุชนทวนกระแสเข้ามายังไม่ถึงตัวาธาตรู้ที่บริสุทธิ์ยังไม่ใช่พระอริยะเป็นข้าบลูกข้ามดอกเรียกโคตรภูญานยานนะยาข้ามโคตรจากปุถุชนมาเป็นพระอริยะบุคคลนะพอมันทวนกระแสเข้าถึงจิตแล้วเนี่ยอริยมรรคจะเกิด นั่นอริยมรรคไม่ได้เกิดที่อื่นนะอริยมรรคเกิดที่จิตที่เดียวนะสิ่งที่ห่อพุ่มจิตอยู่คืออาสวะกิเลสเนี่ยจะถูกแหวกด้วยกําลังของอริยมรรคนะสังโยชน์บางตัวจะถูกฆ่าตายไปสังโยชน์ตัวที่ถูกฆ่าตัวแรกเลยนะก็คือความเห็นผิดว่ามีเราไม่จะเห็นเราไม่มีเราเลยนะร่างกายไม่ใช่เราอะไรเนี่ยมันเห็นมาแต่ตลอดแล้วนะมาถึงขนาดสุดท้ายเนี่ยมันเห็นเลยจิตและสังขารทั้งหลายเนี่ยนะไม่ไม่ใช่เรานะ จิตและสังคารทั้งหลายไม่ใช่เราเสร็จแล้วพอมันมั น, ม, นมันแจ้งตัวนี้นะอริยามรรคเกิดนีมันจะแหวกแหวกอาสวะกิเลสออกนะจิตจะเข้าถึงความบริสุทธิ์ที่แท้จริงนะสองสาขณะเท่านั้นเองถ้าตรงที่มันไหวตัวขึ้นมาเนี่ยคนไหนปัญญาแก่กล้ามันไหวสองทีจิตก็เข้าใจแล้วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับเวลาที่มาสัมผัสพระนิพพานเนี่ยจะสัมผัสสขณะนะ เวลาที่บางคนอินทรีย์ปัญญาไม่แก่กล้าตอนที่มันไหวขึ้นมาเนี่ยต้องไหวทั้ง3ามครั้งนะถึงจะเข้าใจว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนะแล้วก็อริยมรรคถึงจะเกิดอริยผลเกิดขึ้นมานะตรงอริยผลเนี่ยจะสัมผัสพระนิพพานสองขณะนะเพราะฉนั้นพระโสดาบันยังมีหลายชนิดนะบางพวกเนี่ยต้องเกิดอีกไม่เกินเจชาติบางพวกเกิดไม่เกิน3ชาติบางบางพวกเกิดอีกชาติเดียวก็จบละกําลังแก่แก่อ่อนไม่เท่ากันนะ หรือบางคนแตกฉานมากบางคนไม่แตกฉานนะเสร็จแล้วจิตมันจะถอยออกมานะออกจากชานจิตจะถอยออกมากลับมาสู่โลกข้างนอกนี้แล้วจิตจะทวนกลับเข้าไปไปดูว่าล้างกิเลสอะไรไปแล้วบ้างนะถ้าเราเป็นพระสวสดาบาลจริงนะเราภาวนาแล้วเราเป็นพระสสดาบานจริงนะแล้วอย่า ก, กลัวว่าตัวเราจะโผล่ขึ้นมาบางคน ภาวนาไปแล้วเกิดอาการแปลกๆนะคิดว่าบรรลุโสดาแล้วกลัวมากเลยว่าตัวตนจะโผล่อย่างนั้นน่ะคล้ายๆเป็นมะเร็งแต่นั่งทับไว้ไม่ให้รู้ตัวนะอย่าไปกลัวมันถ้ายังมีตัวมีตนแสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แล้วก็ภาวนานของเราอีกอย่าไปกลัวเสียแชมปแชมปปลอมๆ อ, อย่างนั้นนะงนั้นเวลาที่เราจะดูว่ากิเลสอะไรล้างแล้วกิเลสอะไรยังไม่ล้างเนี่ยจะต้องดูในสภาวะจิตปกติจิตธรรมดาธรรมดา ถ้าจิตไปทรงฌานอยู่แล้วก็มันไม่มีให้ดูหรอกกิเลสอะไรต่ออะไรนะจิตไปทรงฌานอยู่ไม่มีเพราะงั้นจิตจะต้องหลุดออกมานะจิตออกมาเป็นคนธรรมดาอย่างนี้แหละแล้วมันทวนเข้าไปไปเห็นนะถ้าเป็นพระโสะดาบันนะมันจะเห็นว่าขันมีอยู่นะรูปมีอยู่ความสุขความทุกข์มีอยู่ความจําได้หมายรู้มีอยู่ความปรุงดีปรุงชั่วมีอยู่จิตมีอยู่นะขันมีอยู่นะแต่ไม่มีเจ้าของนะตัวรู้เนี่ยตัวรู้จะไม่เป็นเรา ตัวรู้จะไม่เป็นเราอีกต่อไปแล้วงั้นมันจะมีการกระทํานะแต่ไม่มีผู้กระทํามีของอยู่คือมีขันอยู่แต่ไม่มีเจ้าของเนี่ยมันจะเห็นอย่างนี้เลยนะถึงจะแกล้งยังไงนะจะหลงสุดขีดนะหลงโลกขนาดไหนนะไอ้ตัวรู้เนี่ยก็จะไม่มีความเป็นตัวเราขึ้นมาอีกงนะั้นอย่าไปรักษามันนะดูของจริงเลยถ้าภาวนาไปแล้วรู้สึกได้ธรรมะได้ธรรมะนะอย่าไปกลัว ดูเลยว่าได้หรือไม่ได้อย่าให้จิตไปติดล็อกนิ่งๆอยู่เท่านั้นแหละให้จิตเป็นธรรมชาติธรรมดานะแล้วเราเห็นไหมว่าขันมีอยู่แต่ไม่มีเจ้าของถ้าเกิดมีเจ้าของขึ้นมาน ส, สักกายทิฏฐิยังอยู่นะยังไม่ล่าหรอกนี่ตรงที่สักกายทิฏฐิขาดแล้วเนี่ยต่อไปเราไม่หลงผิดละเพราะสักกายทิฏฐิขาดนะมิชาทิฏฐิอื่ น, นก็ขาดไปด้วยอย่างเรื่องตายแล้วเกิดตายแล้วสูญอะไรนี่ไม่เข้ามาอยู่ในสมองอีกแล้วอย่างพวกเราเนี่ยยังคิดเรื่องตายแล้วเกิดตายแล้วสู ญ, ญใช่ไหม เรามีตัวตนอยู่สักยทิฐิเรามีอยู่ตัวเรามีอยู่จริงๆนั้นตัวเรามีอยู่แล้วพอตัวเราตายเนี่ยตายแล้วไปเกิดใหม่เนี่พวกสัตตตถทิถีเป็นมิจฉาทิถิอย่างหนึง่งนะตัวเรามีอยู่พอตายไปแล้วศูนย์นี่ก็มิจฉาทิถีอีกอย่างหนึ่งนะชื่ออุดเฉททิฐินะแท้จริงไม่มีเราตั้งแต่ตอนนี้แล้วนะมีแต่ขันนะมีแต่ขันทํางานไม่มีเจ้าของงั้นเคยมีพระองค์หนึ่งท่านตอบพระสารีบุตร ภนะาษาลิบุตรถามแต่เดิมท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านคิดว่านิพพานแล้วศูนย์นะเพระาะภาษาลิบุตรมาแสดงธรรมเรื่องขันให้ฟังเข้าใจขึ้นมาเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาจริงๆแล้วาษาลิบุตรก็ถามว่าต่อไปถ้ามีคนถามท่านว่าพระอรหันต์นิพพานแล้วเป็นอย่างไรท่านจะตอบว่าอย่างไงท่านจะตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันทั้งหลายนะั่นแหละเกิดขึ้นแล้วดับไปใช่ไหมไม่มี พระอรหันต์ตรงนี้ยังไม่มีเลยอ่ะนะแล้วพระอรหันต์ตายแล้วจะไปไหนเนี่ยท่านไปถึงขั้นนั้นนะแต่ไม่ใช่ศูนย์นะไม่ใช่ศูนย์นะเวลาที่ภาวนาผ่านเรียมักถึงสี่ครั้งเนี่ยจิตจะแปลสภาพไปอีกแบบหนึ่งเลยมันจะแปลสภาพเป็นอันเดียวกระทำนะจิตจะไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมานะเป็นหนึ่งเดียวอยู่กระทอย่างนั้นเองกว้างขวางไรขอบไรเขตนะ เวลาที่ธาตุขันแตกนะธาตุขันก็แตกไปนะส่วนธาตุขันนะไม่มีอะไรธาตุขันก็แตกไปจิตที่มันทรงพระนิพพานอยู่นะจะว่ามีอยู่ก็ไม่ใช่นะจะว่าไม่มีก็ไม่เชิงนะมันเหมือนไฟที่ดับไปจิตพระอรหันนะ์ที่ท่านนิพพานนะมันเหมือนไฟที่ดับไฟที่ดับไม่ได้สูญไปใช่ไ้ย ไฟที่ดับไม่ได้ดำรงอยู่ไฟที่ดับไม่ได้สูญไปมันกระจายออกเต็มโล ก, กาธาตุเท่านั้นเองมันไม่มารวมตัวขึ้นมาเป็นาธาตุเป็นขันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นจุดเป็นดวงขึ้นมาอีกเท่านั้นเองมันไม่ได้สูญแต่มันไม่ได้มีอยู่นะนั้นถ้าสุดโต่งไปข้างใดข้างหนึ่งนะก็ไม่ใช่หรอกนะก็ยังไม่เข้าใจใครฝึกนะให้ฝึกตั้งอกตั้งใจใครไปกราบพระสพสมเด็จท่านบ้างสมเด็จพระยานสังวรนะ ไดกลับได้ก็ดีนะแล้วตั้งอกตั้งใจทำใดที่ท่านเห็นแล้วขอให้เราได้เห็นบ้างนะตามท่านนะตามท่านท่านเป็นตัวอย่างที่งามมากเลยงามจริงๆเลยนะนึกถึงก็เบิกบานแล้วนะนะนึกถึงก็เบิกบานอ่ะสมควรแก่เวลานะสีานาทีเป๊ะเลยนะใครมีความสุขบ้างเห็นไหม เรารู้ไหมว่ามีความสุขเมื่อกี้ไม่รู้ใช่ไมไม่ไม่รู้คือหลงหลงแล้วมีความสุขนะถ้าหลงแล้วมีความสุขนะเป็นสุขที่เจือด้วยกิเลสถ้ารู้ตัวอยู่แล้วมีความสุขเนี่ยเป็นสุขในกุศลนะเป็นสุขในกุศลเนี่ยวพระอรหันต์มีความสุขมากนะมีความสุขจิตมีความสุขกับมิวเบกขาเบกขาก็เป็นความสุขที่ประณีที่นไปอีกแบบนึง นะรู้นืรู้ตัวสบายสบายจิตพากออกจากขันนะสบายไม่มีภาระฝึกงเอานะเอาใครจะส่งกันบ้านกับนวัตสการครับพระาอาจารย์ผมเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์มาประมาณเดปปีครับแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ส่งกันบ้านครับก็จะไปกราบพระอาจารย์ที่สวนบ่อยๆครับจะเป็นลูกศิษย์ปลายแถวอยู่หลังๆห้องนะครับ ก็ตอนนี้ภาวนาช่วงเช้าก็จะทำในรูปแบบครับทาในรูปแบบแล้วก็หลังจากทำในรูปแบบก็จะดีท็อกเพื่อจะขับถ่ายก็จะอั้นช่วงนั้นนะครับก็จะก็จะดูธาตุขันก็เห็นจิตที่ที่มองความเจ็บปวดในระหว่างอั้นแล้วก็จิตแยกออกมาใน ใ, ในช่วงเช้านะครับแล้วในระหว่างวันทำงานเห็นไม่กายกับใจ ค, คนละอันนะชัดเจนนะครับครับสุขทุกข์ดีช่วกับใจเขาคละอันชัดไหม ครับก็เห็นเห็นแล้วก็เป็นกลางกับความทุกข์มากขึ้นในระหว่างที่มันกลางได้เพราะมันชินอ่ะครับใช่ถ้ามันเจอทุกข์แรงๆอย่างอื่นนะมันคงไม่กลางเท่าไหร่ครับก็ในระหว่างวันก็ใช้ดูสภาวะยอมรับสภาวะได้ได้บ้างขึ้นครับอาจารย์ถ้าถ้าจิตเริ่มไหลไปรวมเริ่มไม่เป็นกลางก็จะเข้าทําในรูปแบบในระหว่างวันทีละ5้านาทีดูลมหายใจบ้างขยับเนื้อขยับตัวบ้างแล้วก็บางทีก็สวดมน ในใจบ้างแล้วพอจิตมีกำลังก็จะดูต่อทำออทำอย่างนั้นเป็นในระหว่างวันนะครับออวันนี้เป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกก็จะขอกันบ้านต่อครับที่ส่งมาก็ดีแล้วเราทำถูกแล้วนะเราก็ปฏิบัติของเราต่อไปแต่ว่าพวกนักปฏิบัตินักดูจิตเนี่ยต้องระวังตัวหนึ่งก็คือจิตไปติดว่างๆนะถ้าจิตไปติดว่างก็เป็นวิปัสสนูตัวหนึ่งชื่อโอภาส ส ว, ว่างว่างอะไรเงี้ยเราไม่เอานะรเราคอยดูกายทํางานดูใจทํางานไปเรื่อยแต่พอดูแล้วเหนื่อยเราทำความสงบเพิมาพุโทโธพุโทโธไปอะไรไปก็เ้าให้จิตมีเครื่องอยู่ไว้อย่างพักผ่อนพักผ่อนมีแรงแล้วก็ดูกายดูใจทางานต่อนะแล้วก็ไม่นิ่งนอนใจอยู่กับความสุขความสบายของสมาธิไปไม่ดีเดี๋ยวติดไปทำต่อนะก ร, ราดนมาสการหลวงพ่อค่ะ ก่อนอื่นลูกขออนุญาตกราบขอเข้ามาหลวงพ่อที่เคยอวดดีอวดเก่งมาก่อนค่ะอะไรนะหนูเมื่อก่อนที่มาส่งการบ้านกับหลวงพอ่อหนูคิดว่าหนูอวดดีอวดเก่งมาก่อนนะคะหนูกลาบขอเข้ามาหลวงพ่อจะ <c oughs> ้ะเออนะหลวงพ่อรับการเข้ามานะหนูดีมากเลยที่หนูรู้ค่ะก็พรรษาที่ผ่านมาเนี้ยค่ะหนเูเห็นความเห็นผิดของตัวเองมากมายแล้วก็ มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเพียงแต่ว่าหนูกับขอโอกาสหลวงพ่อว่าที่ที่ทราบนี้ไม่ทราบเป็นมิจฉาทิถีอยู่อีกหรือเปล่านะเจ้าค่ะไ ม, ไม่เป็นหรอกไม่เป็นมิจฉาหรอกขันเราแยกได้นะค่ะถ้าขันมันแยกนะขันนั่นแหละสอนธรรมะเราไม่มีใครสอนธรรมะเราได้นะขันตัวเราเองแล้วนะสอนธรรมะเราอเองค่ะเขาแสดงใจรักให้เราดูเราก็ดูเข้าไปด้วย แต่ว่าปกติพอเราไปดูแล้วเราไม่ใช่แค่ดูเราชอบไปแทรกแสงขัดใช่ค่ะออให้รู้ทันว่าไปแทรกแสงแล้เมื่อก่อนหนูเห็นว่าหนูทําตลอดใช่ถูกต้องนะก็เลยเข้าใจว่าต่อไปนี้ควรจะต้องเลิกทำจิตีค่ะเลิกไม่ได้อ่ะนะถึงเป็นพระนาคามีก็ไม่เลิกทําหรอกนะแต่อาศัยการทํานะแล้วก็สติปัญญามันแก่กล้าขึ้นมา การที่เราพยายามปฏิบัติอยู่นั่นนะ่ะมันเพิ่มพลังของสติสมาธิปัญญาขึ้น<ะ>ถึงจุดหนึ่งเขาเลิกทําของเขาเองเราเลิกไม่ได้หรอกตื่นเช้ามาเราก็คิดแล้ววันนี้จะปฏิบัติยังไงดีเป็นทุกคนแหละนะเป็นทุกขั้นของการปฏิบัติด้วยเป็นปกติแต่ให้เรารู้ทันว่าเนี่ยปรุงแต่งอยู่เท่านั้นแหละถ้าเราไม่รู้ทันว่านี่ปรุงแต่งอยู่นะเราก็จะติดเราก็จะติดคิดว่าทําอย่างนี้แหละวันหนึ่งก็บรรลุบรรลุอะไรล่ะบรรลุพรมบรรลุชาติ นะก็คือปล่อยให้แต่ละอย่างเขาทำหน้าที่ของเขาไปใช่ัหมคะปล่อยให้ขันทำหน้าที่ของขันเราทำหน้าที่รู้ตามความเป็นจริงไม่ใช่รู้เฉยๆว่ามีขันนะรู้ตามความเป็นจริงือรู้ว่าขันนั้ น, นแสดงใจรักอยู่ค่ะอย่างเนี้ยไอ้ตัวที่พูดอยู่เนี้ยไม่ใช่เราหรอก ค, ค่อยรู้สึกด้วยใจน ะ, ะการดูจิตดูใจหรือดูกายเนียไม่ได้ดูด้วยลูกตานะ เรารู้ด้วยความรู้สึกอย่างร่างกายเราหลับตาเนี่ยเราขยับมืออย่างนี้เราก็รู้ใช่ไหมนี่เรารู้ด้วยความรู้สึกเนาในใจความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่ใช้ตาดูนะเรารู้ด้วยความรู้สึกถ้าเอาตาไปดูมากๆปวดตาเลยบางคนานาซะปวดตาเลยทั้ง ท, งท้งที่นั่งหลับตาคุณพ่อมีการบ้านแนะนำารื้หนูดีขึ้นเยอะแล้วล่ะไปทำอีกค่ะนะโดยพื้นฐานน้องหนูดื้อนะ ดื้อมากเออดื้อมากหลวงพ่อพูดสุภาพว่าดื้่นะงั้นหนูต้องขัดเกลามันพามันดูของจริงจนมันยอมจำนนกับความจริงไม่ใช่ยอมจำนนหลวงพ่อนะค่ะยอมจำนนกับความจริงนไอ้ถามเมาไปขอบคุณขอบคุณจ้ะค่ะกับนรมาสการ์พระอาจารย์ค่ะหนูฟังซีดีพระอาจารย์มาห้าเดือนแล้วแล้วก็วหัดเจริญสติตามแบบที่พระอาจารย์สอน แล้วก็รู้สึกว่าได้ผลดีหนูเห็นกิเลสบ่อยไหมกิเลสค่ะอคะเห็นบ่อยไหมเมื่อก่อนนี้เห็นบ่อยแต่ว่าตอนนี้มันจะเห็นแต่กายมันทุกข์คือมันทุกข์ตลอดแบบมันเหมือนกับมันเห็นพลังงานมันไหลออกไปแล้วก็มันสั่นสะเทือนอยู่ตลอดเวลาเออได้ดูกายก็ได้นะแต่ใจเป็นคนดูค่ะอย่าให้ใจไหลเข้าไปเกาะอยู่กับกายมันชอบไหลเข้าไปเกาะแล้วมันก็ทุกข์ดูดูออกใช่ไหมตรงที่ใจไหลเข้าไปในกาย เออถ้าดูออกไม่มีปัญหานะไหลเข้าไปเรารู้ทันน ะ, ะมันจะถอยออกมาตั้งมั่นของมันเองแล้วมันจะเห็นเลยกายมันไม่ใช่เราอะกายเป็นก้อนทุกเห็นไหมว่ามันทุกมันทุกเออถ้าเห็นกายนะเจะตัวทุกจะเด่นกับตัวอนัตตาว่าไม่ใช่ตัวเรา<ะ>เป็นก้อนธาตนะนะุดูกายก็ได้นะที่จริงเราปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้ดูกายเราไม่ได้ดูจิตนะะเราดูความเป็นไตรลักษณ์ ที่เราดูกายก็เพื่อให้เห็นไตรลักษณ์เพราะไตรลักษณ์แสดงอยู่ที่กายเราดูจิตก็เพื่อให้เห็นไตรลักษณ์เพราะไตรลักษณ์แสดงอยู่ที่จิตนั้นสิ่งที่พวกเราดูคือไตรลักษณ์ไม่มีสายไหนสายไหนนะเราไม่ได้ดูกายเราไม่ได้ดูจิตถ้าดูกายก็เป็นสมถะถ้าดูจิตก็เป็นสมถะถ้าเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นมิปัาสนาเพราะงั้นดูอันเดียวกันน่ยดูกายก็เห็นไตรลักษณ์ดูจิตก็เห็นไตรลักษณ์งั้นถ้าเข้าใจนะดูกายจนมันเข้าใจจริงๆว่า ทั้งหมดนี้เป็นไใรลักนะก็เหมือนอาการเดียวกับที่ดูจิตจนเข้าใจว่าทั้งหมดนั่นแหละคือตรลักอย่าเข้าถึงความบริสุทธิ์อันเดียวกันแต่ว่าเวลาที่มันแบบทุกข์มากๆคือมันหนักมากๆเลยแล้วมันจะเข้าไปจับหนูไม่รู้จะทํำยังไงที่ทําไม่ได้หรอกห้ามมันไม่ได้หรอกมันยังยึดอยู่นะค่อยๆพามันดูไปเรื่อยมันแกกล่าขึ้นมืนถึงจะปล่อย โอเคแล้วเรียนกับหลวงพ่อลําบากนะทํำไม่ได้ไม่ทําก็ไม่ได้เออเอาอย่างไงว่าพระองค์นี้ <c oughs> เออแล้วออพระจะมีอะไรแนะนําหนูเพิ่มเติมไหมคะหนูก็ต้ออดทนเอานะอดท<ะ> น, นหนูมันไม่ดื้อมากหรอกแต่มันโมโหมากโมโหมากดูเอาโอเคค่ะ okay. ขอบคุณค่ะ การบรการหลวงพ่อค่ะเออคือยังตื่นเต้นอยู่ธรรมดานะใครเจอหลวงพ่อก็ตื่นเต้นนะคือที่ปฏิบัติมาเนี่ยค่ะฟังซีดีหลวงพ่อมาเป็นปีแล้วนะคะคือได้แต่สงบอะค่ะอืก็ดีกว่าฟุ้งซ่านได้สงบก็ดีกว่าฟุ้งซ่านอแต่คุณสังเกตไหมว่าบางทีก็สงบบางทีก็ไม่สงบใช่ค่ะนี่แหละเดินปัญญามันตรงนี้เลยอเห็นไหมความสงบมันไม่เที่ยงหรอกความสงบเนี่ยสั่งไม่ได้ไหม เดี๋ยวก็สงบเดี๋ยวก็ไม่สงบเดี๋ยวก็สลบคือจะรู้จะรู้ตัวมากขึ้นน่ะค่ะนั่นแหละดีแล้วก็จะมาขอการบ้านหลวงพ่อค่ะควรจะทํายังไงต่อนี่ไงให้กัรบ้านแล้วนะสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้นะจะเห็นเลยสงบก็ไม่เที่ยงฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงสงบก็สั่งไม่ได้ฟุ้งซ่านก็ห้ามไม่ได้โอเคคือก็สวดมนต์แล้วก็ปฏิบัติอย่างที่ทํามานี่ไงใช่สวดมนต์ไปนะแล้วจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ แค่นั้นเองก็พอแล้วคือคือมาถึงตรงนี้แล้วไม่ทราบว่าจะทํำยังไงต่อนี่ไงดูไตรลักษณ์อ๋อค่ะจิตสช่ยวสอนไตรลักษณ์อยู่แล้วละเงาสงบก็ไม่เที่ยงฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงสงบสงสก็สั่งไม่ได้ฟุ้งซ่านก็สั่งไม่ได้ไตรลักษณ์นั้นแสดงอยู่แล้วแต่พวกเราไม่รู้จักดูเท่านั้นเองอเมันไม่ยากอะไรรอกอดู เ, เป็นนะไม่ยากหรอกเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องได้ดีบ้างแหละ <laughs> นี่ขนาดดูยังไม่เป็นดูบ้างไม่ดูบ้างนะยังดีขึ้นตั้งเยอะเลยรู้<อ>สึกไหมรู้ตัวค่ะเมื่อก่อนนี้แต่ละคนนะดูไม่ได้เลยนะไม่ได้แกล้งว่านะดำปีเลย <c oughs> <c oughs> ดูไม่ได้เลยหัดของเราไปเรื่อยๆน้ำก็ดีขึ้นดีขึ้น <c oughs> ขนาดยังไม่ทันจะได้มากผลเลยนะชีวิตก็มีความสุขขึ้นตั้งเยอะละฝึกไปเรื่อยๆมีแต่เรื่องดีคื <c oughs> อแล้วทำยังไ<อ>งจะให้จิตรวมคะคืไม่ถึงทานะ <c oughs> ให้จิตรวมยาก พอพื้นฐานเป็นคนฟุ้งซ่านเก่งะจิตมันจะขยันฟุ้งนะฉะนั้นอย่าไปคิดเรื่องจิตรวมจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตสงบรู้ว่าสงบดูอย่างนี้ไปเรื่อยจะเห็นเลยจิตจะฟุ้งซ่านหรือจิตจะสงบนั้นไม่คงที่หรอกแล้วแต่ละวัดเนี่ยไม่เหมือนกันเลยบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ใช่ค่ะนั่นแหละเห็นไหมเราเห็นแล้วล่ะเราถึงบอกใช่อะดูอย่างนั้นแหละเรียกว่าปฏิบัติธรรม ถ้าปฏิบัติเอามุ่งเอาความสงบนั่ะก็ปฏิบัติแบบลือศีชีไพรไว้ไม่เกิดปัญญาหรอกนะกับพระคุณหลวงพ่อค่ะค่ะเอ่อกับธรรมำการค่ะหลวงพ่อลูกขอถามหลวงพ่อในการดูจิตคิดนะเจ้าค่ะพะเวลาจิตคิดก็คือหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้อะค่ะกับการตามดูจิตคิดคือพอจิตคิดแล้วก็ปล่อยให้มันคิดไปแล้วก็มีสติตามดูไปอ่ะค่ะ ตามอะไรตามรู้อะไรตามรู้เรื่องที่คิดเนี่ยอ๋อแม่เอาถ้าตามรู้เรื่องที่คิดเนี่ยเรื่องราวที่คิดเนี่ยเป็นอารมณ์บัญญัติไม่มีไตรลักหรอกแล้วพอเวลาคือลูกเขาถามว่าสมมติถ้าเกิดเราคิดแล้วมันเกิดกิเลสเกิดตัณหาอย่างนี้แสดงว่าจิตคิดก็เป็นวิหารธรรมไม่ได้ใช่ไหมคะอันนั้นเรียกว่าใช้จิตเป็นวิหารธรรมแต่ไม่ใช่ให้จิตคิดนะจิตมันคิดของมันเองแต่พอคิดแล้ว เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอะกุศลเรารู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าใช้จิตเป็นวิหารธรรมนะไม่ได้ใช้ความคิดเป็นวิหารธรรมนะแล้วสมบางครั้งคือถ้าเกิดบางครั้งก็หลงแต่บางครั้งเราก็รู้เรื่องที่คิดแล้วบางครั้งเราก็รู้ร่างกายแล้วก็กลับมาหลงอีกอย่างนี้ใช้ได้ไหมคะมันมันไม่ใช่คาว่าใช้ได้ไม่ได้คือมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นของมันเองไเลือกไม่ได้ ไม่ใช่ว่าถ้าหลวงพ่อบอกอย่างนี้ถูกก็จะพยายามทําไม่ใช่มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นนะคือถ้าคิดแล้วหลงหรือคิดแล้วรู้เรื่องที่คิดก็ให้มันเป็นไปตามนั้นถ้าจิตคิดแล้วรู้ทันก็ใช้ได้นะถ้าจิตคิดแล้วยังไม่รู้ทันคิดไปแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเรารู้ทันก็ใช้ได้นะค่ะลูกส่งการบ้านรอบสามเดือนมีอะไรแก้ไขเพิ่มเติมบ้างหรือเปล่าคะจิตขนาดนี้เป็นยังไงปกติไหม ตื่นเต้นเราแทรกแซงมันไหมก็พยายามดูอยู่เอานะพยายามตรงคำว่าพยายามนั่นแหละแทรกแซงละนะให้รู้อย่างที่เขาเป็นนะสังเกตไหมว่าขันมันแยกได้ค่ะ<า>เออถ้าขันแยกได้แล้วนะก็ไม่ยากแล้วลนะ่ะพอขันแยกได้นะใจของเราเป็นแค่คนดูเราก็ดูขันมันทำงานขันนั่นแหละจะสอนไตรัก์เรานรัสกาลครับ อ่าอพอดีลืมไม่เป็นไรสัญญาสัญญาไม่เที่ยงก็โอเคก็คือตอนนี้ภาวนามันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโดยปัญญาครับแล้วก็รู้สึกจิตไม่ตั้งมั่นคิดว่ามันน่าจะไปค้างอยู่ข้างหน้าๆหรือเปล่าครับเราก็รู้ทันแล้วนะจิตมันไม่เข้าบ้าน ดูง่ายๆเลยเวลาจิตเข้าบ้านไม่เข้าบ้านเนะี่ยลองย้อนมาดูจิตนะถ้ามันไม่เข้าบ้านนะี่มันจะดีดออกไปเลยมันจะเด้งออกมันไม่เข้ามาดูหรอกลองย้อนไปดูจิตสิเข้าไห ม, มนี่ดีดออกแล้วไหมคือใช้เมื่อกี้ใช้วิธีอให้มันเข้ามากระลมหายใจได้แต่หายใจแบบนั้นไม่เกินสองสามครั้งนะถ้ามากกว่านั้นจะแน่นอหายใจแล้วรู้สึกหายใจแล้วรู้สึกไปสองสามทีนะ เริ่มแน่นแล้วเห็นไหมแน่นแล้วยังไม่เข้าอีกเลยสงสัยว่าทําไมมันถึงไปชอบไปค้าอยู่ข้างหน้านักครับเพราะมันสบายใช่มันไปติดสุขของสมาธิออกนอกแล้วรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้มาหลายปีแล้วเลยครับดูกายกลับมารู้สึกกายบ่อยๆนะคือถ้ากลับมาดูกายบ่อยๆต่าไปมันจะทวนกระแสก็ย้อนเข้ามาที่จิตอยู่ๆไปดึงเข้ามาที่จิตไม่ไม่เข้า ไ, ได้งอก ดูกายบ่อยๆนะครับ ข, ขอบคุณครับกลับนะมัสการค่ะหลวงพ่ อ, อวันนี้หนูตั้งใจมาถวายการปฏิบัตินะคะเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังค บ, บูชานะคะสาธุคือหนูปฏิบัติาการภาวนาการดูจิตมาได้ประมาณ2ปีนะคะ อ๋อหนูเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าตามที่คุณที่หนูเคยฟังหลวงพ่อสอนว่าถ้ามีใครถามว่าเป็นลูกศิษย์ใครให้บอกว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะคะใช่แต่ก่อนต้องบอกอย่างนั้นนะบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อให้โดนบอม <laughs> อีกหน่อยมันจะอ้างแต่ว่าลูกศิษย์หลวงพ่อประโ ม, นะมุนนะจะกลับข้างเลยแล้วซึ่งจริงๆไม่ใช่อะ่ะเพราะไม่รู้ว่าหลวงพ่อสอนอะไรค่ะ <laughs> แล้วหนูก็รู้สึกว่าที่หลวงพ่อให้บอกว่าถ้าเราภาวนาไปอะ เราจะรู้สึกว่าเรารักพระพุทธเจ้าหนูก็รู้สึกอย่างนี้จริงๆนะครับหนูดูตัวนี้นะจิตหนูเนี่ยมันมีธรรมชาติยึดในความคิดความเห็นรุนแรงนะะให้รู้ทันเวลามันยึดในความคิดความเห็นนะให้รู้ทันมันนะมันแรงตัวนี้ค่ะถ้าแรงตัวนี้นะ้ําจะตีกับคนอื่นง่ายาด้วยนะหนูเป็นประเภทโทสาสะสลิดด้วยเออนั่นแหละมันแรงตัวนี้นะ แล้วโทสะตัวนี้ไม่ได้เกิดจากผลประโยชน์ขัดกันนะแต่จะโกรธมากเลยถ้าความเห็นขัดกันเพราะเราจะยึดในความเห็นของเราแรงให้เรารู้ทันว่าเรายึดในความเห็นของเรานะแล้วตัวนี้จะคลายออกค่ะก็คาถามอะไรคำถามก็คือหนูหลวงพ่อก็เทศฟังแล้วก็พี่ๆก็ทา ม, มาแล้วนะคะก็นี่งไงหลวงพ่อก็เลยแถมให้นะให้ดูเรื่องการยึดในความเห็นนะ ถ้าหนูดูตัวนี้ได้ชีวิตหนูจะมีความสุขกว่านี้อีกเยอะเลยการยึดในความเห็นนะคะเออตัวนี้แหละทำให้ใจหงุดหงิดตลอดเวลาอืมค่ะก็ขอถามอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็พอดีอเผื่อจะเป็นประโยชน์กับผานอื่นๆด้วยก็ในสมัยพุทธกาลน่ะหนูเคย ก็เคยอ่านเคยศึกษามาว่าบางท่านเขามียานบารมีอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าเขาต้องมีการหลวงพฝังไม่ออกหลวว่าอะไรนะคือยกไหม่ยกไหม่ตั้งตั้งเองค่ะก็คืออยากทราบว่าอ่าอย่างสมัยพุทธกาลนะบางท่านเขามียานบารมีใช่ไหมคะก็เลยอยากถามาว่าเขาบางท่านอะไรนะมียานมีอะไรยานใช่ค่ะก็ก็เลยอยากถามเพื่อเป็นความรู้ว่าอ่าต้องมีการ ปฏิบัติยังไงนะคะถึงจะได้ยานตรงนั้นจริงๆหนูก็ไม่ได้อยากได้แต่ว่าอยากได้านเป็นความรู้หรืออยากได้ฌานยานกับฌานไม่เหมือนกันนะแล้วยานยังมีสองส่วนโลกิยาญานกับโลกุตระยานนะจะเอาอันไหนล่ะทางมันคนละทางกัน่ะอือยากออกรู้ออกเห็นอะไรงั้นหรือเปล่าก็ใช่ค่ะหรืออยากเหาะได้ อยากอได้ไปสุวรรณภูมิก็จริงๆหนูก็ตั้งแต่ภาวนามาความรู้สึกว่าก็เห็นทุกข์มากพอสมควรแล้วก็ความรู้สึกที่ไม่อยากเกิดเนี่ยก็คือไม่อยากเกิดแล้วแต่ว่าถ้าเราภาวนาไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์เราก็ต้องเกิดใช่ไหมคะอันนั้นต้องให้ได้โลกุตระยานยันในทางเป็นโลกุตระนะไม่ใช่โลกีค่ะ นั้นยานฝ่ายโลกุตตะะเนี่ยหนูแยกธาตุแยกขันธ์ลงไปนะเห็นธาตุเห็นขันธ์แสดงใจลักไปเรื่อยนะเดี๋ยววันหนึ่งมรรคยานผลแยานอะไรก็เกิดขึ้นถ้าไม่ผ่านมรรคยานผลแยานนี่ก็เกิดอีกถ้าถ้าอยากได้ความพ้นทุกข์จริงอย่างที่บอกนะไปฟังซีดีแล้วสังเกตจิตใจของเราไปเรื่อยๆ จิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วจิตยึดในความเห็นหรอจิตอะไรก็ตามเราเห็นว่าจิตมันทำงานของมันเองตลอดเวลานะแล้วถ้าเราเข้าไปแทรกแซงเราไม่พอใจเราเข้าไปแทรกแซงให้รู้ทันว่าเข้าไปแทรกแซงนะเนี่ยเรียนรู้ความจริงของจิตใจไปเรื่อยๆนะอย่างนั้นถึงจะไม่เกิดได้ถ้าห่อได้อะไรได้ยังเกิดอีกนะเทวทัศน์ก็ห่อได้นะ อ้าให้คนอื่นบ้างของหนูระวังนะเรื่องความความคิดความเห็นนะมันกั้นหนูอยู่เยอะเลยนะกับสมาณมัสการค่ะหลวงพ่อ<ม>ค่ะออที่หนูปฏิบัติก็คือว่าหนูใช้ดูกายค่ะแล้วก็จะเห็นจิตใจตัวเองเนี่ยเปลี่ยนใช้ได้เร็วมากใช่ได้ะนะหนูากลายเป็นวิหารธรรมไปดูกายเป็นก็จะเห็นจิตค่ะ ทีนี้ที่เห็นตัวเองก็คือว่ากระทั่งตัวเองมีความทุกข์หรือว่ามีอารมณ์ที่แรงมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีอยู่ครั้งหนึ่งที่รู้สึกว่าดีมากคือได้เห็นว่ามีความสุขแทรกเข้ามายังได้อีกก็เลยว่าก<ด>็มันแปลกจริงๆทั้งๆที่มันถูกตอนนั้นจิตของเราเป็นผู้รู้ไง<ค>ในขณะที่กิเลสเกิดนะแล้วจิตเราเป็นผู้รู้นะขนาดช่วงขณะนั้ น, นกิเลสดับนะ้จิตเราทรงสมาธิอยู่ ความสุขก็ผุดขึ้นมาค่ะแล้วก็ที่เห็นว่ารู้สึกว่าดีกับตัวเองมากๆคือจากเดิมที่เคยเห็นว่าทุกๆอย่างในการกระทำเนี่ยค่ะคือเราเราไม่เคยเห็นว่าเราเจตนาไม่ดีนึกว่าเราดีอะค่ะแต่พอหลังๆเนี่ยเห็นกระทั่งเราชงเขาอยู่อย่างเนี้ย จริงๆใจเราก็ยังนึกว่าเราดีกว่าได้วยซ้ำค่ะอันนี้คือเห็นบ่อยมากอย่างนี้ถือว่าดีจริงถ้าเรารู้ทันกิเลสก็เลยว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ก็เวลาพูดก็จะเรียกว่าการกระทำตรงกับเจตนามากขึ้นนะคะค่ะดีค่ะแลลงพ่อมีอะไรจะแนะนำไหมคะไปทำอีกสินะ ทำในรูปแบบด้ยนะแล้ววันไหนใจฟุ้งก็ทำความสงบไปบ้างอย่าทิ้งการทำความสงบนะถ้าทิ้งไปนานไปจะไม่มีแรงสาบว่าไม่ค่อยมีแรงเลยค่ะช่วงนี้น แ, แบบแรงไม่มีแล้วจ <laughs> ึงบอกไปทำความสงบบ้างกราบขอบพระคุณค่ะสมถาก็มีประโยชน์นะทำให้มีแรงแล้วก็มีโทษคือไปติดเหมือนที่จริงไม่ใช่โทษของสมถะนะ โทษของความโง่อของเราเองที่ไปติดสมถะสมถะน่ะมันดีนะเหมือนมีมีดนะมีดมันคมคมันดีใช่ไหมมีดบาดเราไม่ใช่ความผิดของมีดนะความผิดของเราช่วยเองสมัธนะิสมถะอะไรเนี้ยก็ดีมีประโยชน์เราช่วยเองเราไปติดมันนะงั้นทำนะทาได้ก็ทําแต่อย่าไปติดอ่ะว่ามากรรบน้มัสการครับหลวงพ่อ ผมฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายปีแล้วครับแต่เพิ่งมาปฏิบัติจริงจังหกถึงเจ็ดเดือนที่ผ่านมามนี่เป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกครับก็ตามรู้ดูกายใจตลอดทั้งวันนะครับก็เห็นความจริงว่าเอ้ความคิดไม่ใช่ของเรา ม, มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็เข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนไว้เยอะแล้วล่ะครับ <ไป S 1> บางคร<ด>ั้งมันก็ชัดบางครั้งก็ไม่ชัดมผมมาถุกที่ถูกทางไหมครับถูก ถูกนะอย่างหลวงพ่อเทศเทศเนี่ยคุณก็รู้เรื่องดีครับขอบคุณครับนะมัสมัครครับหลวงพ่อที่ผ่านมาการปฏิบัติก็สามารถแยกสภาวะต่างๆคือเห็นได้ชัดขึ้นน่ยนะครับนะทีนี้ขันมันแยกอย่างนั้นทนี่มันเหมือนกับว่าในสภาวะในจิตมันจะมีตัวนิ่งๆติดอยู่ตัวหนึ่งครับตรงนี้มันจะแก้ไขยังไงครับหลวงพ่อครับคือรู้ว่ามีตัวนิ่งอยู่เราไม่ต้องแก้แล้วล่ะนะถ้าเราไม่ไปยึดถือมันนะครับ แล้วเห็นไหมมันไม่นิ่งล้วครับท่าเนี่ยมันเกิดดับให้ดูล้ครับทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยผมดูทั้งจิตดูทั้งกายดูทั้งนัตต า, า, าที่นี้นก็รู้อันนั้นทีน่นี้ในการทํางานในประจําวันเนี่ยครับพอมีภาษาเข้ามากระทบเนี่ยตัวตนเราจะปรากฏให้เห็นตลอดเลยโอ้ดีทีนี้ก็เลยถามว่าจริงๆแล้วผมควรจะดูกายดูจิตหรือดหน้าตาจริงๆแล้วอะไรเด่นสติมันระลึกของมันเองเราเลือกไม่ได้ แท้จริงเราไม่ได้ดูกายเราไม่ได้ดูจิตนะเราดูไตรลักษ์กายก็สอนไตรลักษ์ใช่ไหมจิตก็สอนไตรลักษ์เราดูตัวนี้ต่างหาส่วนกายเราเห็นกายมันเด่นตอนนี้ร่างกายมันเคลื่อนไหวมันเด่นขึ้นมาหรือมันเจ็บปวดขึ้นมาสติไประลึกรู้กายก็เห็นไตรลักษนะ์ความรู้สึกทางใจรุนแรงขึ้นมาสติระลึกรู้ความรู้สึกทางใจก็เห็นไตรลักษนะ์ไม่เลือกหรอกว่ากายหรือจิต ไอ้กายกับจิตอะไรนั่นเป็นแค่วิหารธรรมเบื้องต้นหรอกครับหลวงพ่อทีนี้ออผมขอองค์ธรรมหรือว่าธรรมะที่เหมาะสมและจำเป็นกับผมจริงๆครับที่ทาอยู่เนี่ยถูกแล้วนะออต้องทำไปเรื่อยแต่ว่าจิตต้องถึงฐานจริงๆนะถ้าจิตสบายว่างๆออกไปข้างนอกนะก็กลับมาดูกกายไว้สภาวะจิตผมตอนนี้ถือว่ากดอยู่เยอะไหครับนิดหน่อยไม่มาก นนะภาวนามาถึงจุดนี้ถือว่าดีแล้วนะครับทั้งนั้นผมขอถวายผลการปฏิบัติเป็นพุทธบูชาและ อ, อจริยบูชาแก่หลวงพ่อด้ทุกนะหลวงพ่อเราชอบชอบรู้สิทธิ์ถวายการปฏิบัตินะอแต่ต้องปฏิบัติเป็นนะนี่ฉันขอถวายการปฏิบัติ <laughs> <laughs> อย่างนี้หลวงพ่อค <laughs> <laughs> งหงาย <laughs> <laughs> หลังไปด้วย อ, ะ <laughs> อ่ะ ก, การนมัสการค่ะหนูเพิ่งเริ่มหัดภาวนาค่ะหลวงพ่อ ภาวนาเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้หนูยกมายอย่างนี้เลยฮะแบบร้องคาราโอเกะเลยคนระั <c oughs> บว่าใหม่ไม่ได้ยินหนูภาวนาเป็นยังไงบ้านเจ้าคะภาวนาใช้ได้นะค่อยดูไปนะร่างกายส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งนะดูกายบ่อยๆเราเป็นคนรักความสวยความงามนะ <c oughs> เห็นร่างกายมันทํางานไปเรื่อยใจอยู่ตาหากักดูบ่อยๆต่อไปกิเลสอะไรเกิดที่ใจมันจะเห็นเองนะ มาได้ดีแเราละกลับขอการบ้านค่ะนี่ไงให้แล้วขอบพระคุณค่ะค่ะกับนรัศาการหลวงพ่อค่ะจากคราวที่แล้วที่เคยส่งการบ้านหลวงพ่อว่าเป็นคนฟุง้งซ่านมากหลวงพ่อบอกว่าให้ใช้พยายามหาเครื่องอยู่ให้เป็นวิหารละธรรมของจิตนะคะก็พยายามใช้ลมหายใจแล้วก็มีวินยัยจากที่เคยคิดว่าไม่สามารถ ทำสมาธิได้ก็พยายามบังคับทําให้ได้ประมาณสิบห้าถึงสาสิบนาทีเงี้ยค่ะอแต่ว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่าเวลานั่งสมาธิหรือรู้กายรู้ใจอยู่มันก็จะเนื่องจากเป็นคนฝุ่งซ่านมากค่ะมันก็จะเดี๋ยวรู้เดี๋ยวไปรู้นู่นเดี๋ยวไปรู้นี่เดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวไปรู้ทางนู้นอันนี้ถือว่าปฏิบัติอยู่แต่ว่ามันมันถี่มากมากเลยนะคะมันสอนธรรมะเราแล้วว่าเธอบังคับฉันไม่ได้หรอกแต่ว่ามันไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามัน อยู่ที่อะไรมันจะวิ่งไปไปมาตลอดอย่างนี้ก็ถือว่าปฏิบัติแล้วใช่ไหมคะถือว่าปฏิบัติแล้วเราทําได้แค่นี้เราก็ทําอย่างเนี้ยกลับไปสมาธิมันก็ดีขึ้นเองนะเดี๋ยวนี้สมาธิก็ดีกว่าเก่าแล้วมากนดูออกไหมล่ะดูออกเอแต่ให้ดีเป๊ะๆร้อยเปอซย่างทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทำอย่างนี้แหละมันเดินปัญญาไปด้วยค่ะแต่ว่าที่เราเห็นมันทางานนั่นแหละมันเจริญปัญญาอยู่แต่ว่ามันดูมีแรงเอร์ตตลอดเวลาเลยไอ้นั่นเป็นทางร่างกายนะ เป็นไฮเปอร์แอคทีฟนะห้ามมันไม่ได้หรอกนะบางคนมันเป็นทางกายด้วยงั้นก็ปฏิบัติอย่างนี้ไปถูกต้องนะคะขอบคุณ่ะก็เราเป็นไฮเปอร์เราก็ต้องดูอย่างนี้แหละเหมือนทำงานนะขอบคุณค่ะหนูดีขึ้นเยอะนะดีขึ้นเยอะเลยก่อนนะฟุ้งเละเทะเลยรับในโอกาสนี้ก็จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในสถานที่แห่งนี้กล่าวคาถวายทานนะครับ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 อิชิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปะเมวาสมิจฉตุสัพเพภูเรนตูสังกปาจันโทปณรโสยธามิโชติระโสยธาสัพพีติโยวิวัตชันตูสัพพโรโควินั ส, สตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทิคายุโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจังุทธาปจายิโน จตาโรโหธรร ม, มาวทันติอายุวันโนสุ ข, ขังพระลังสาทุโมทนากับทุกคนนะสาภาคเพียนมาฟังธรรมชีวิตของพวกเรามันจะดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะเราก็รู้ด้วยตัวของเราเองว่าเราดีขึ้นขนาดไหนนะโมทนากุณแม่มด้วยเจ้าของสถา น, นที่นะก็ต้อง เป็นความเสียสละนะพวกเราก็อนุโมทนาให้คุณแหม่มเขาบ้าง